จึงเป็นเพียงอาการของจิตที่เป็นส่วนหนึ่งของกายนี่ใช่ลมหายใจของเราอีกต่อไปตั้งหลักกันที่สภาวะของลมที่เข้ามาอยู่ภายนอกพูดง่ายๆคือรู้ว่าลมมาเป็นส่วนหนึ่งครูหนึ่งโดยประสบการณ์ตรงทุกคนควรเห็นว่าเมื่อสามารถรู้ลมโดยความเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ภายในกายก็จะเริ่มเห็นกายออกมาจากภายในไปด้วยและเมื่อเริ่มพิจารณาลมโดยสักแต่ว่าเป็นของอื่นที่เข้ามาอาศัยกายชั่วคราวก็จะพลอยเกิดความรู้สึกเกี่ยวกับกายว่าเป็นทังอะไรทังหนึ่งให้ลมเข้ามาพักเท่านั้นไม่ใช่ความเป็นกายของเราหรือของใคร เหมือนอย่างที่จิตถูกหลอกอยู่ตลอดเวลาตามปกติจากนั้นเมื่อถึงคราวระบายลมหายใจออกตามกลไกธรรมชาติหากรู้ลมขาออกได้แจ่มชัดความรู้สึกจากสติจะเห็นเหมือนสายสภาวะรรมสายหนึ่งที่เคยมาจากภายนอกแล้วกลับเคินสู่ภายนอกถ้าหากประกอบพร้อมด้วยจิตที่ตั้งมั่น มีความเบิกบานแผ่กระแสรู้ว้างขวางตามธรรมชาติแล้วก็จะรู้ชัดว่าที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกายนั้นบัดนี้กลายเป็นของภายนอกอย่างไรได้ข้อสรุปอันเป็นปัญญาของจิตไม่ใช่ปัญญาของความคิด ว่าลมหายใจมาจากความว่างที่ไม่ใช่ตัวตนอย่างไรก็คืนกลับสู่ความว่างที่ไม่ใช่ตัวตนอย่างนั้นตรงนี้จะเห็นว่าความสำคัญของจิตที่ตั้งมั่นแล้วสักนิดหนึ่งถ้าทำสมถะมาอย่างไม่พร้อมจิตยังไม่ทรงตัวเป็นปกติก็จะเห็นลมหายใจโดยความเป็นภาวนาธรรมภายในและภายนอกไม่ชัดเมื่อไม่ชัด ยังคิดอยู่ฟุ้งซ่านอยู่ก็จะเกิดความลังเลสงสัยเช่นว่าเรารู้จักสภาวธรรมที่ถูกต้องหรือยังหรือไปเร่งว่าเมื่อไหร่เราจะเห็นสภาวธรรมโดยความเป็นของภายในและภายนอกเช่นทีเป็นต้นพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างคำว่าภายนอกก็แปลมาจากขับสัพมาลีก็คือไม่หิตทา ซึ่งมีความหมายอื่นได้ว่าข้างนอกหรือด้านนอกฉะนั้นจำเป็นต้องบ่มว่าขั้นนี้เราต้องพิจารณาลมหายใจของคนอื่นไม่ใช่ในกายของผู้ปฏิบัติภาวนาเองการรู้ลมหายใจของตนเองมากๆนอกจากจะเห็นเป็นมนิตสายลมหายใจออก และเข้าเป็นลำดับชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วยังทำให้เกิดจิตสัมผัสเป็นผลพวงปล่อยได้ตามมาด้วยปกติคนเราหายใจเข้าออกก็สามารถสังเกตได้ด้วยตาเนื้ออยู่แล้วเช่นอาการไหวไปเยือบของช่วงกระบังลมหรือว่าอาการพองแล้วแฟบของหน้าท้องแต่เมื่อมาบวกกับจิตสัมผัสเข้าด้วย ก็ทําให้เราสามารถตั้งมุมมองคนอื่นโดยความไม่ใช่ตัวตนแต่สักว่าเป็นถังสูบลมเข้าและระบายลมออกและก็เป็นการเห็นตามจริงไม่ใช่เพียงรับรู้แบบจดจําว่าคนเราต้องหายใจไม่ใช่เพียงจินตนาการหรือคาดเดา ว, ว่าเขากําลังหายใจออกหรือเข้าแต่รู้เข้าไปชัดๆ ทีเดียวว่าของเราอย่างไรของเขาก็อย่างนั้นประโยชน์ของการพิจารณาลมหายใจผู้อื่นเป็นเพียงสภาวะธรรมนั้นก็เพื่อให้เห็นครบวงจรเห็นรอบตลอดสายว่าทั้งภายในและภายนอกนั้นไม่ต่างกันเลยไม่ฉะนนั้นจะกลายเป็นผลหรือพิจารณา เฉพาะลมหายใจภายในว่าไม่ใช่ตัวตนแต่พอมองคนอื่นแล้วก็กลับรู้สึกว่าลมหายใจของเขาความปรากฏทั้งหมดของเขาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาพูดง่ายๆกํากจัดความสงสัยว่ามีเราไม่ใช่ตัวตนอยู่คนเดียวแต่คนอื่นเป็นตัวเป็นตนทั้งหมดความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนย่อมครอบงําได้อีก การพิจารณาลมหายใจของผู้อื่นสักแต่เป็นสภาวะธรรมนั้นนับว่าจุดชนวนมองโลกทั้งหมดโดยสักแต่เป็นธรรมหลกักการหนึ่งของสติปัฏฐานส่คือให้ละวางความยึดมั่นทั้งปวงโดยเริ่มจากที่ตั้งของตัวเราก่อนแล้วค่อยขยายผลความรู้แจ้งออกไปครอบคลุมภายนอกทุน่นทั่วอย่างไรก็ตาม หาก พ, พลีผามด่วนไปเฝ้าสังเกตภายนอกก่อนผลเสียคือจิตจะส่งออกนอกไปเลยและไม่อยากกลับเข้ามารู้เข้ามาดูความเป็นภายในเมื่อพยายามดูภายในจะเหมือนมีกำแพงขวางกัน้นและรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากฉะนั้นจึงควรย้ำจนขึ้นใจกับตนเองว่าต้องดูข้างในให้ช่ำชองก่อนดูข้างนอก และหมายเหตุไว้สำหรับใครที่เกรงว่าการมองอิรยาบทนอกตัวเป็นการส่งจิตออกนอกอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องส่งจิตออกนอกให้ดีๆว่าคือความคิดฟุ้งร้านออกไปนอกขอบเขตของการพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมเช่นเรื่องวัดค่าสูงตำ่ำให้เกิด อตามานะเป็นต้นการส่งจิตออกนอกนั้นแม้คิดเข้ามาในขอบเขตของกายใจของตนเองแต่ไปคิดแบบกิเลสกิเลสเช่นวันนี้เราสวยหรือว่าหลอกกว่าเมื่อวานก็ต้องนับว่าใช่การส่งจิตออกนอกเช่นกันในทางตรงกันข้ามแม้จิตกับวัตถุนอกตัว แต่สัมผัสรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เต ล, ดลิดหลงยึดอย่างนี้ก็ต้องจำแนกไว้เป็นการดำเนินจิตในสติปัฏฐานอย่างหนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างบางจังหวะจิตมีคุณภาพดีสติมีความคมชัดกว้างขวางรอบด้าน ก็อาจเห็นทั้งลมหายใจของเราเองและคนอื่นพร้อมกันสาระไม่ได้อยู่ที่เราเห็นเพียงเดียวหรือว่าเห็นรอบครอบคลุมแต่อยู่ที่เราสามารถเห็นลมหายใจโดยความเป็นสภาวะธรรมไม่ใช่ตัวตนทั่วทั้งหมดได้หรือเปล่าบางเวลาอาจจะเห็นเฉพาะความเกิดขึ้นเด่นชัดเท่านั้น พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างวิธีกำหนดจะแตกต่างออกไปนิดเดียวคือตระหนักถึงความเกิดลมหายใจไม่ว่าจะขาออกหรือขาเข้าไม่ว่าจะของเราหรือของคนอื่นหากเป็นสติที่ตั้งมั่นเห็นชัดต่อเนื่องก็จะทราบขณะของความเกิดขึ้นอย่างชัดเจน บางเวลาอาจเห็นเฉพาะความดับลงเด่นชัดเท่านั้นพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างเหมือนกับข้อก่อน ต่างแต่ตระหนัดถึงความดับลมหายใจไม่ว่าจะขาออกหรือขาเข้าไม่ว่าจะของเราหรือของคนอื่นหากเป็นสติที่ตั้งมั่นเห็นชัดต่อเนื่องก็จะทราบขณะของความดับลงอย่างแจ่มชัดและเห็นเป็นเพียงสภาวะหนึ่งในธรรมชาติของที่เกิดขึ้นจะต้องระงับลงเป็นธรรมดาพิจารณาเห็นธรรม คือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างเมื่อฝึกรู้ลมหายใจตามลำดับทั้งหมดกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายในข้ อ, อ ก, ก่อนจิตย่อมมีคุณลักษณะหนึ่งปรากฏขึ้นมาคือปัญญาเห็นความเกิดดับต่อเนื่องอย่างเด่นชัดคือเห็นในลักษณะประจักษ์ว่ากลไกของธรรมชาติของกายมนุษย์ ประการหนึ่งคือเรียกร้องลมหายใจเข้ามาและต้องการระบายออกไปสลับกันเกิดดับต่อเนื่องเป็นชุดๆแต่และชุดเป็นคนละลมเป็นคนละตัวกันแล้วชีวิตย่อมปรากฏเป็นอีกอย่างหนึง่งโลกัศน์ภายในย่อมแตกต่างไปอีกแบบหนึง่งแทนที่จะรู้สึกว่ากายเป็นเราเราเป็นกาย ก็เห็นกายไม่ใช่ตัวตนของเราไม่มีตัวตนของเราในกายดังพระพุทธองค์ตรัส ท, ทิ้งท้ายไว้เสมอว่าเธอย่อมเป็นอยู่อีกอย่างหนึง่งคือเข้าไปตั้งสติว่ากายมีก็เพียงสักแต่ว่าเอาไวร้รู้เพียงสักแต่ว่าเอาไว้อาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้ไม่ถูกตันหาและทิฏฐิเข้าอิงอาศายัยและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลก ดูกระพิกูุ์ทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างน้แลพิสูจชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เสมอถึงขั้นสรุปอันเป็นสุดยอดของอนาปานบับนี้ก็คือเห็นชัดรู้ชัดทุกขั้นตามที่กล่าวมาจึงกำหนดสติอันประกอบด้วยความเห็นชอบว่ากายนี้สักแต่เป็นเปลือกหยากสักแต่เป็นของอย่างหนึง่ง ให้จิตอาศัยตั้งอยู่ให้จิตอาศัยระลึกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนและขั้นแรกของกายที่เราอาศัยพิจารณาก็คือลมหายใจนั่นเองแม้ยังไม่มองเข้าไปในรายละเอียดอื่นของกายก็พอมีที่ยึดเหนี่ยวในขอบเขตของกายเป็นเรื่องเป็นราวได้ขอยถือกุญแจภาวนาดอกสําคัญเอาไว้ ตลอดทั้งมหาสติปัฏฐานสูตรตัวชี้ตัววัดว่าเรากำลังมาถูกทางคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเห็นแล้วยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตนอยู่ถึงแม่ปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นถูกต้องอย่างไรก็ถือว่าใช้ไม่ได้ยังไม่ใช่สติปัฏฐานอย่างแท้จริงมองอนาปานบับบดโดยความเป็นอารมณ์สมาธิ จิตที่รู้สภาวะธรรมอย่างเป็นกลางไม่มีอาการวิภาควิจารในเชิงผิดถูกหรือตีค่าที่เป็นของดีของไม่ดีกับปราศจากความลังเลสงสัยนั้นต้องมีความตั้งมั่นมีความนิ่ม น, นวลมีความอ่อนควรว่องไวเต็มไปด้วยสมรถนะเป็นอิสระจากการยึดกลุมของกิเลสยากเช่นราคาและโทสะ ตรงนี้ก็มีข้อสงสัยเสมอมาว่ามาตรฐานความพร้อมรู้อยู่ตรงไหนขอให้พิจารณาจากที่พระพุทธองค์ปรัสไว้หลายแห่งเกี่ยวกับสมาธิในฐานะองค์หนึ่งของมรรคปดูกะลาพิสุททั้งหลายก็สัมมาสมาธิเป็นเช่ไหนภิสุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรม บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกเธอบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกขุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจานพระวิตกวิจานสงบไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ถ้ามีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะ สวสุขด้วยนามกายเพราะปิติสิ้นไปมลุปฏิยชาญมีพระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอมลุจะตุตตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับสมนัสโทมัสก่อนๆได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เหล่านี้เรียกว่าสัมมาสมาธิคือสมาธิอันชอบหรือสมาธิที่เกื้อกูลต่อมรักผลกล่าวอย่างรวบรัดแล้วสัมมาสมาธิคือฌานสี่ดังจะเห็นประโยชน์ในฌานสมบัติตามลำดับขั้นต่างๆคือฌานแรกนั้นให้ความอยาก ในกามและความมีอกุศลจิตไปอย่างส้นเชิงชั่วระยะเวลาหนึง่งทำปฐมฌานได้ครึ่งชั่วโมงอาจให้ผลไปหลายวันส่วนฌานสองนั้นทำให้จิตมีความผ่องใสพิเศษยิ่งขึ้นกว่าฌานแรกจิตเริ่มใส่ใจกับตัวรู้และความว่างภายในได้เป็นเอกส่วนฌานสามนั้น อารยเจ้าสารเสริญว่าอยู่เป็นสุขด้วยสติและอุเบกขาส่วนฌานสีนั้นละได้กระทั่งสุขแสดงคุณภาพรู้ดั้งเดิมของจิตชนิดเต็นขั้นแม้สุขก็ไม่เจีอพนอยู่ในรู้รู้นั้นย่อมละเอียดประณีตและพ้นจากการเกาะกลุ่มทั้งปวงจากที่กล่าวมาจะเห็นพระพุทธองค์จำแนกฌานต่างๆไว้ด้วยองค์ประกอบ ได้แก่หนึ่งวิตกคือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นสู่ความระลึกอย่างเช่นขั้นแรกที่ตั้งสติรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าก็เรียกว่าเป็นวิตก 2. วิจาร์ไม่มีนอนเนนการันคือแนบจิตเข้ากับสิ่งที่กำลังระลึกอย่างต่อเนื่องความรู้สึกจะเหมือนเห็นชัดออกมา จากภายในขั้นที่สามารถสำเนียกรู้กองลมทั้งหมดกล่าวคือเห็นจากภาวะปัจจุบันแม้ขณะลมหยุดแล้วทราบชัดว่าลมออกกลมเข้าจะยาวหรือสั้นอันนั้นก็คือภาวะที่เริ่มเกิดจากวิจาร์เต็มรูปยังไรก็ตามขั้นก่อนหน้าเช่นรู้ลมสั้นยาว ก็อาจเกิดวิจารณ์ได้เช่นกันขอให้ดูที่ความต่อเนื่องแจ่มชัดเป็นหลัก 3. ปิติถ้าปิติในระดับสมาธิขั้นต้นคณิกะสมาธิอ่านว่าคณิกะที่จิตประกอบด้วยองค์คือวิตตกและวิจารตั้งมั่นอยู่ได้เพียงชั่วคราวจะหมายถึงความอิ่มใจปิติในระดับสมาธิขั้นกลางอุปจารสมาธิ ที่จิตตั้งมั่นได้นานมากขึ้นจะหมายถึงความแช่มชื่นปรีดาปราโมดเป็นพิเศษกับทั้งไม่ลิงโลดแบบทำให้เสียความตั้งมั่นส่วนปีติในสมาธิขั้นสูงที่จิตตั้งมั่นเป็นฌานก็จะหมายถึงความเย็นซ่านดังที่พระพุทธเจ้าทรงพรนาไว้อีกสำนวนหนึ่ง ในกายคาตาสติสูตรความว่ามีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่เธอยังกายนี้แลให้คลุกคล้าบริบูรณ์ทราบซ่านด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกไม่มีเอกเทศไรๆแห่งกายทุกส่วนของเธอที่ปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้อง ถึงสุขสุขในที่นี้คือสุขอันเกิดแต่วิเวทแห่งจิตเพราะฉะนั้นย่อมแตกต่างจากสุขที่จิตเสพได้จากกายที่เปลือกกล้วในกามคุณพระพุทธเจ้าจะตรัสถึงสติและสุขคู่กันไม่แยกจากกันในองค์ฌานที่ถูกต้องทั้งปิติและสุขอาจเกิดขึ้นในขณะรู้ลมหายใจขั้นใดขั้นหนึ่งหรือสําหรับผู้ที่มีความตั้งมั่นของจิต เป็นปกติก็อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าเช่นพอกำหนดใจให้สงบพร้อมรู้ลมหายใจจิตก็จะเข้าสู่ภาวะรวมกำลังและเบิกบานประกอบด้วยปีติและสุขเองทันทีเอกคตาความเป็นหนึ่งของจิตที่แน่วแน่อยู่กับอารมณ์เดียวสำหรับองค์นี้สำคัญในฐานะตัวชี้กาดว่าสมาธิจิตที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฌานหรือไม่ สำหรับองค์อื่นๆข้างต้นแม้เกิดครบก็อาจจะเป็นคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิเท่านั้นหากขาดเสียซึ่งเอกคตาแล้วก็ไม่นับเข้าข่ายเป็นฌานเลยข้อสังเกตเบื้องต้นคือความรู้สึกภายในก็จะหยุดนิ่งสนิทปราศจากความคิดปราศจากความคำนึงอื่นนอกจากลมหายใจกระแสรู้จะรวมดวง หนักแน่นเด่นอยู่เหมือนความสว่างจ้าของแสงอาทิตย์การทําความเข้าใจเกี่ยวกับองค์สมาธิที่มีอยู่ในจิตอาจจะมีผลให้สอดคล้องการพัฒนาได้ทั่วถึงขึ้นเช่นในขั้นที่พระพุทธองค์ได้สำเนียกรู้ความระงับแห่งสังขาร น, นั้นควรเริ่มมีปิตินําหน้ามาแล้วดังเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในภิกคุณีสูตรมีความว่า เมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมระงับเธอมีกายระงับแล้วย่อมสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นและถ้าใครต้องการเน้นความทมสมาธิเพื่อสวยปิติสุขโดยเฉพาะอาจจะเพื่อผ่อนพักจากงานประจาวันหรือว่าเดินจมกลมมาเหนื่อยก็อาจจะดูแนวที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ในอนาปานสติสูตร ซึ่งเป็นสูตรใหญ่ว่าด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจจะได้คัดมาเฉพาะส่วนที่มุ่งเอาปฐมฌานเป็นหลักโดยพิจารณาองค์ฌานในส่วนที่เป็นปีติสุขและการรวมดวงไร้ความคิดจะพยายามจะขยายความส่วนนี้ในแง่ที่การพิจารณาเวทนาในที่1ิบอีกครั้งในบทที่สิ จุดนี้ก็จะมุ่งแสดงการสำรวจว่ามีองค์ฌานอยู่บ้างแล้วหรือว่าขาดองค์ฌานใดไปสำเน็จอยู่ว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าคงจําได้ว่าทําผ่านกันมาแล้วทว่าต่อจากนี้การที่เจริญวิปัสสนาก็เปลี่ยนเป็นขั้นตอนสําคัญ ขั้นตอนสำเนียกปิติสุขแทนขอย้ำว่าให้ทำตามขั้นตอนมาเรื่อยๆอย่าคิดสร้างความระงับกายอย่าคิดสร้างเปรติสุขเพราะจะไม่เกิดผลแต่อย่างใดทั้งสิ้นถ้ารีบร้อนด่วนได้แต่จะลัดตรงเข้าสู่ความสำเร็จด้วยเวลาที่ไม่ย่นเยออหากใจเย็นและมาตามลำดับจริงๆ สำเนีจอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ปิติหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ปิติหายใจเข้าดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วว่ากายจะสงบระ ง, งับได้นั้นต้องมีปิติหรือความอิ่มใจในการที่จิตสงบจากความฟุ้งมาแนบสนิท ก, กับลมหายใจทั้งขาออกและขาเข้าเต็มไปได้วยความเบากายสบายใจ ตรงนั้นถ้าทำไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนเร่งเอากลับทั้งไม่ย่อหย่อนในความเพียรก็จะให้ค่อยเกิดปิติซ่านมากขึ้นเรื่อยๆความช่ำชื่นเป็นปิติมากเกิดในช่วงลมหายใจยาวขอให้สังเกตตามจริงว่าเมื่อถึงความสงบกายสงบใจและมีลมออกยาวนั้น ความรู้สึกเราทอดถอนภาระหนักพ้นจากอกภายในมีแต่ความเบาโล่งและไม่ฟุ้งซ่านไปในทางไหนๆตรงนั้นจะจำรักษาความเช่มชื่นที่เกิดขึ้นไว้กับทั้งละลึกด้วยปีติที่เป็นไปตามธรรมชาติจะเริ่มเออมาทีละน้อยไม่ฉุดฉาดเด้งโลดปุ๊บปับ๊บถ้าเห็นว่าเป็นปีติใน ลักษณะลิงโลดก็ควรจะเร่งตระหนักว่านั่นเป็นการสร้างเอาเองแล้วแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนไฟไม่ฟาง ร, รีบมารีบไปเมื่อจะลากลมหายใจเข้าก็เช่นกันความรู้สึกหายใจได้ทั่วท้องนำลมสบายเข้ามาสู่กายที่สบายความยินดีปรีดาย่อมเกิดตรงนั้นก็เป็นปีติ อาจจะมีความแตกต่างจากปิติตอนลมขาวออกอยู่บ้างให้สังเกตตามจริงและระลึกถึงความเป็นปิติไว้อย่างนั้นสังเกอดูว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจเข้าสิ่งที่ตามความแช่มชื่นยินดีปรีดาก็จะเป็นความเย็นกายเย็นใจ ความสงบสุขในรถวิเวกอันแตกต่างจากสุขสามาัญหลายคนจำแนกด้วยคำพรรณนาเช่นทิพยะสุขหรือสภาพเบาโล่งเหม่อลอยตรงนี้มีข้อสังเกตว่าถ้าเราแยกแยะระหว่างปิติกับสุขปิติจะมาก่อระยะหนึ่งจิตจะยังแกว่งได้ตื่นเต้นได้ต่อเมื่อคุ้นกับแรงฉีดของปิติพักหนึ่ง ความสงบสุขจึงปรากฏชัดขึ้นใช่ว่าปีติกับสุขแยกเป็นต่างหากอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเพียงให้กำหนดรู้และแยกแยะได้ซึ่งจะมีผลใหญ่ในการต่อไปเมื่อถึงขั้นที่จิตรวมเด่นเป็นเอกคาตาหากแยกองค์ฌานไม่ถูกก็จะละองค์ฌานยากยกระดับเข้าสู่สภาพฌานที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปไม่ได้ เมื่อกำหนดปีติส่วนเดียวและสุขส่วนเดียวตามลำดับขั้นจนรู้ชัดแล้วก็จะเห็นทั้งปีติและสุขกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวนิได้เป็นต่างหากจากกันไปเองหากปีติและสุขแก่รอบลักษณะจิตมีความมั่นคงดีแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอุปจารสมาธิขั้นเต็มขั้นพร้อมที่จะถึงฌานต่อไป ด้วยกำลังอันแข็งแรงที่มีอยู่ในจิตกับทั้งด้วยปัญญาพิจารณาละส่วนอยากทั้งที่พระพุทธองค์ทรงแนะนําไว้ในขั้นต่อไปสําเรียงอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กําหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้กําหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าคำว่าจิตตสังขารในที่นี้หมายถึงสภาพที่ปรุงแต่งการกระทําทางใจ ได้แก่เจตนาที่ก่อให้เกิดมนโนกรรมหากเข้าใจง่ายที่สุดก็คือความจงใจคิดอ่านทั้งปวงนั่นเองขอให้เข้าใจว่ามาถึงขั้นที่ปีติและสุขแก่รอบเต็มภูมิแล้วนั้นความคิดในลักษณะฟุ้งซ่านสัดสายอันเหมือนเปลือกหยาบที่สุดของจิตจะสลายตัวไปแล้วเหลืออยู่แต่เพียงความคิดเล็กๆ เ, เ, เกี่ยวกับตัวตน ที่กำลังบำเพ็ญสมาธิอยู่เท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงให้สำเนียกรู้อาการเล็กๆของเจ็ดดังกล่าวรับรู้ว่าในความสงบสุขยังมีริ้วรอยหรือคลื่นกระเพื่อมละลอกน้อยอยู่สำเนียกรู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นชัดว่าสักแต่มีสิ่งหนึ่งไวไ้หวเป็นระยะอาทีหรืออาจห่าง สำเนียจอยู่ว่าเราจะระงับจิตสังขารหายใจออกว่าเราจะระงับจิตสังขารหายใจเข้าในขั้นของการระงับความคิดนั้นไม่ได้ยากเย็นเหมือนอย่างที่หลายคนเข้าใจในเมื่อเห็นความคิดเป็นริ้วรอยเป็นความกระเพื่อมแม้น้อยได้ชัดในขั้นก่อนแต่เพียงกำหนดอีกนิดเดียวว่าเราจะไม่ใส่ใจความคิดเล็กน้อยนั้น เราจะรู้เฉพาะปิติสุขอันเกิดแต่ลมหายใจออกและลมหายใจเข้าเพื่อปรุงแต่งจิตไม่ให้เกิดความคิดอีกเพื่อเสพสุขและประโยชน์แห่งสมาธิจิตเต็เมเน็ดเต็มหน่วยกว่าการมีความคิดเกะกะธรรมดาโลกเราเต็มไปด้วยสิ่งเราใค่อยากคิดอยากคว้าถ้ามาถึงขั้นที่จิตเห็นความอยากคิด และลกความอยากคิดจะได้ก็นับเป็นบุญนับเป็นวาสนานับเป็นโอกาสที่จะให้เกิดชันทะาหรือความพอใจทำความรู้แจ้งแบบวิปัสนาให้เห็นทะลุตลอดสายถึงอริยสัจได้มิฉะนั้นแล้วต่อให้เข้าใจธรรมะลึกซึ้งเพียงไหนก็จะมาติดอยู่ที่เพดานความคิด